สลบวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีที่เราจะได้ส่งท้ายพิคอร์กันด้วยการมาดูตัวเองเฝ้าดูตัวเองซึ่งวันนี้เราจะดูกันแบบไหนก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์งคงกิจท่านเดาพูดให้ฟังชมชเช้านี่ แต่ว่าในสำหรับกิจกรรมตอนเย็นที่เราไปรับทราบจากสังคมทั่วไปเขาทั้งกันสำหรับพวกเราจะทำแบบเขาหรือไม่เนี่ยตอนค่อยมาตกลงกันว่าจะทำแบบไหนหรือเป็นดีไซน์ลงกันเพื่อเราจะได้ <c oughs> ขัดก่องอกประโยชน์ จากสมมติได้สมมุติกันว่าอย่างนี้เราจะได้อะไรจากสมมติตัวนั้นก็อยู่ที่เราเป็นผู้ต้องทําไม่ทําไม่จําเป็นที่เราทำ ต, ตามตามที่สมมุติเขาทํากันแต่เราสามารถที่จะสร้างสมมติของเราขึ้นมาในเหตุการณ์เดียวกันก็ได้นะสิ่งกใ็ในช่วงของการพาวนาวันนี้ทั้งวัน ถือว่ามีความหมายก็ยจะได้ตรวจสอบชีวิตของเราตัดออดผ่านมาทั้งปีเนี่ยเรามีอะไรเป็นแก่งสารสาระให้ตัวเองได้บ้างผนบอกว่าหัวเผือกหัวมันปีหนึ่งผ่านไปมันก็ลงหัวของมันน่ะพืชที่ลงหัวต้นมันตายไปเหี่ยวไปแห้งไปแต่สิ่งที่เหลือไว้คือ หัวขอหมแม้แตต้นกล้วยแม่ตายไปก็ยังเหลือลูกเหลือเม็ดมันไว้เป็นพืชเป็นพันุ์ต่อไปอันนี้ปีหนึงของเราที่พันไปเนี่ยเราเหลืออะไรไว้ให้กับตัวเองได้บ้างที่เราจะนําไปเป็นพืชเป็นพันุ์ในปีต่อไปที่จะเดิญงอกงามซึ่งตรงเนี้ยเราจะมีจะต้องมีการตรวจสอบอย่าง ไปชิดทีเดียวถ้าสมมติว่ามันผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในส่วนที่สัมผัสได้ชีวิตก็จะสูงเปล่าถ้าจะเป็นหัวเผือหัวมันก็คุดทิ้งมันมีหัวต้นไม้ก็อาจจะเป็นหมันนี่งของชีวิตคนก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกัน นนในวันนี้ ก, การภาวนาการทำกายอย่างไรทำใจอย่างรูปแบบอย่างไรนีเพราะฉชนควากคิดธรรมจะพูดให้ฟังคนอืน่นมั ได้ยินชื่อเบิกฟ้าธรรมสมนี้มานานเหมือนกันยิง่งชีก อ, องคุณโยมปรีชาก็ได้ยินตั้งแต่เออทำกิจกรรมที่พุทธมนตฑนไม่เปลี่ยนร้อยฟังอากันเจริญสติ ก็มีหลายๆกลุ่มในพยาธสื่อวิสุสังคมก็ดีใจด้วยเพราะว่าชีวิตมันมันต้องการความไม่ทุกข์นั่นแหละคือเป้าหมายของการเกิดมา อยู่ในระหว่างวันระหว่างขณะหนึ่งขณะหนึ่งอย่างทุกน้อยหรือไม่ทุกได้อย่างไรนั่นคือเป้าหมายจริงๆของชีวิตมีการเจริญสติมันเป็นเครื่องมือเป็นอุบายที่จะเข้าถึงสภาพอ น, นันโดยหลักการของคือโดยธรรมชาติของพุทธสภาวะ ไม่ว่าจะเกิดในเจ้าชายสิทธ ะ, ะก็ดีพร า, ท า, านทั้งหลายครูบาจารย์ทั้งหลายมีหลวงพ่อเทียนเป็นต้นก็ดีจะมีสิ่งที่เหมือนกันพุทธสภาว่ามันอยู่สามลักษณะนั่นแหละปัญญาคือกันก็ถึงความจริงแล้วก็นำมาสิ้นความเบืิอสุดหมดจดปลดเปืองความทุกข์ความซศ้มองได้ หลังจากนั้นจะมีสภาพหน <c oughs> ที่เกิดขึ้นรวมก็คือความกรุณาปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาเป็นสภาพธรรมสามอย่างที่มีในลักษณะของพุทธสภาวะไม่ว่าจะมีในใครก็ตามนั้นเมื่อได้รับประโยชน์จากการดำร ง, งชีวิตเบาขึ้นทุกน้อยลง ความกรุณาความอยากแบ่งปันให้ความทุกน้อยๆลอก็เกิดขึ้นนันจึงมีหลายที่หลายสถานที่เกิดเป็นสถมัมธรรมบ้างเป็นวัดว า, ารามบ้างพอดีท่านอาจารย์หลวงพ่อท่าน ชวนมาก็ <c oughs> อยากมาดูเมื่อวานนี้ได้นั่งคุยกับคุณโยมพี่ชาคือความตั้งใจนาโนมตนาด้วยที <c oughs> ่นี่พวกเราทั้งหลาย มาฝึกเจริญสตินี้คืออย่างเราทำกิจกรรมเชิงพุทธทุกเรื่องนั้นมันจะเป็นไปเพื่อการกัดเกลากิเลสตั้งแต่การชำระความชั่วออกไปการเจริญกุศลนั้นเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ชำระจริตให้มันสะอาดแม่แต่ธรรมดสวดมนต์นี่เนอลืมตาขึ้นกว้างๆถ้ามันซึมๆ คือแต่ละช่วงแต่ละขณะ น, นี่เมื่อใดก็ตามถ้าจิตมันเศร้หอมองมันจะหนักมันจะถึงสมองด้วยความสื่อมดหู่ก็ตามด้วยความฟุ้งฝันก็ตามจิตของเรานี่ถ้ามันคิดชั่วนี่มันจะหนักมากๆแม้แต่มันมาคิดดีก็ยังมีน้ำหนักอยู่ แต่ถ้าเราขยับออกจากความคิดตื่นตัวเสียจะเบาที่สุด <c oughs> นั่นในช่วงขอกัรภาวนาก็ไม่มีอะไรวางใจให้ถูกสมายๆลืมตากึ้กว่าสงบว่วขณะนี้นั่งสบายไหม คลี่คลายไหมขณะที่นั่งอยู่หลังงองหรือเปล่าคอเอียงหรือเปล่ากดทับที่ตรงไหนสังเกตอืมค่ <c ười> มารับรู้ว่าขณะนี้นะสบายคลี่คลายหรือเปล่าสติมันไม่ใช่เรื่องยากนะแค่นี้ก็เกิดลนะขณะนี้ตะโพกสัมผัสพื้นคือ <c ười> เรื่องมีเป็นเรื่องนี้ตรงไปตรงมาไม่เกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลอะไรเลย กับพิษตารู้สึกตรงไปตรงมาไม่ผิดไม่ถูกอะไรเลยความรู้สึกตัวสดๆน้อยๆอย่างนีนะ้จะทำให้เกิดความคลี่ลายเวลาเคลื่อนไหวมือคือวางมือลงเวลามันกระทบสัมผัส พอกระทบปับรับซับปั๊จะเป็นเด้งง่ายๆตัวง่ายๆนี้จะคลายเกลียวออกคลายเกลียวอย่ารู้ในเกินไปมันจะแน่นและหนักยันเวลายกเงยกระทบสัมผัสสมัยสมัยรู้สึกตัวจริงๆ จ, จะอยู่นอกๆนะตาเห็นชัดหูได้ยินชัดความรู้สึกที่เป็นไปต่างกาย เป็นความรู้สึกที่เราตั้งใจทําขึ้นเช่นยกเคลื่อนมือความรู้สึกที่ไม่ได้ตั้งใจทําเช่นกระทบปรับรูก้กพัพยิบตาตึงหนาวเย็นเต็มปรากฏอันเนี้ยรู้สมัยสมัยเวลาความคิดมันบูมใหม่ขึ้นมารู้ปล่อยเวลาเรายกมือมันกันกระทบปั๊บทิ้งไปกระทบปั๊บทิ้งไป ถ้าเรารู้แบบกดแช่จิตจะหนักนั้นเวลายกมากระทบทิง้งกระทบทิง้งกระทบทิง้งสบายสมายเหมือนกระพิบตาปับ๊บดับกระติบปา๊บแต่ถ้าเราเกาะให้จิตมันตึงอยู่กับกายเกินไปนี้จะหนักเพิ่มบาระนั้นรู้สบายสมายตาเห็นหูได้ยินรู้สึกด้วยนี้จะาย ก็จะเห็นรูปมันเคลื่อนตัวสมัยสมัยเห็นแต่อาการเสียงก็แค่กระทบหูไปอาการทางกายก็เคลื่อนรู้กระทบรู้สัมผัสรู้เวลาความชิดบูบใบขึมารู้แล้วก็ปล่อยจิงให้มันคุ้นเคยกับสภาพอันนี้จิตจะค่อยๆตื่นออกมา การเจริญสติไม่ใช่เรื่องของเหตุผลอะไรคือตอนที่อันนี้เป็นการอตาตมาไม่ได้สอนนะไม่มีความสมรรมามจะสอนอะไรหละแต่เป็นการร่วมกันอ่าษาร่วมกันอตาตมาเดฟเ้าสังเกต ช่วงเรกๆมาฝึกปฏิบัตินี้ความรู้เรื่องศาสนาไม่มีนี่มีน้อยมากบทตามประเพณีวัฒนธรรมนแน้จิสศัพท์ต่างๆที่พูดเจ้าท่านตรัสไวครูบาอาจารย์พูดถึงไม่ว่าจะสังขารขันห้ารูปนามหรืออะไรมากมายเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนที่ท่านอาจารย์ท่านพูดหลวงพ่อท่านพูดเมื่อวานเนี่ยแต่ ม, มาไม่ไหม่แต่มาไม่รู้ แม้แต่ทุกวันนี้บางครั้งยังไม่รู้เรื่องนะสัพที่พูดไปเนี่ยแต่จำคือสภาพไว้ล้อมบรรยากาศของหมคณนะตอนเมื่อปีสองพันหารอยสามสิบหกตมาบวช <c oughs> บวชได้หกเดือนก็มาปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวไม่ได้ตั้งใจมาหรอกแต่มาเจออาจารย์ท่านท่านก็พูดลงบ่เทียนก็กเปิดให้ฟังแต่ไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าท่านพูดถึงอะไรแต่รู้แต่ว่าเขาให้ทำอย่างนี้ยกมือขึ้นเดินไปเดินมาให้รู้สึกตัวบางครั้งแม้แต่คขามาให้รู้สึกตัวนี้เรายังไม่แน่ใจว่าให้ใครจะไม่รู้สึกตัวนอกจากคนตายก็คิดอยู่เหมือนกันแต่อาศัยว่าบรรยากาศที่อยู่ร่วมกันเนี่ยตดินมาตีสามตีสี่เนนก็ตื่นพระน้อยน้อยก็ตื่น เต้นมาทุกคนก็เดินก็ยกมือทำสลับไปสลับมาทำแตะพืชต่พือไปนั่นแหละรู้บ้างไม่รู้บ้างคขาบอกว่าให้รู้รูปน้ำนะรู้รูปรู้รน้ำรูปทำนามทำรูปโรคน้ำโรคคือคำเหล่านี้เป็นคำที่บัณฑิตท่านบัญญัติสภาวะธรรมชาติชนิดหนึ่ง พยายามใช้ภาษาให้ดีที่สุดง่ายที่สุดเท่าที่ท่านจะทําได้นั่นแหละเพื่อสื่อให้เราเข้าถึงอาการนั้นนั้นให้ได้แต่เราก็ยังเข้าไม่ถึงอยู่ดีเพราะภาษาเป็นสิ่งเป็นเครื่องมือที่จะชี้ถึงสิ่งสิ่งหนึ่งแต่เมื่อเรายังไม่เจออาการนั้นนั้นเราก็ยังไม่รู้มันแต่ก็ยกมือจําหลักได้ว่าให้กายเคลื่อนใจรู้กาไหวให้ใจู้ เป็นภาษาที่ค่อนข้างจะง่ายที่สุดสําหรับหนองหละกายเคลื่อนใจรู้กาเคลื่อนใจรู้ก็เลยทําไปทำมาสัระยะหนึ่งเนี่ยความคิดความฟุง้งความง่วงความซึมมันอ่อนกําลังลงแล้วมันเจอสภาพที่รู้ตัวสมบูรณ์ขึ้นมาแต่พอรู้ตัวสมบูรณ์แล้วมันง่ายจริงๆเลยเข้าใจว่า ทำไมการทำความรู้สึกตัวหรือเจริญสติมันยากยากเพราะมันง่ายเกินไป <c oughs> เราจรึงพยายามเกินไปหรือไม่พยายามเลยแต่พวกสัมผัสพื้นเรื่องยากไหม ย, ยากไหมไม่ไม่ปิตาร้นี่ยากไหมไม่ยา ก, มยมยากเมื่อใดก็ตาม เรายินดีหรือจิตมันสมยอมกับสภาพตรงไปตรงมาอันนี้ก็แทบไม่มีเรื่องอะไรจะต้องคุยกันเลยจะเป็นการเปิดดวงตาเรียนรู้ข้างในไปอย่างตรงไปตรงมาง่ายๆนั้นจะ ก, กี่วันก็ตามที่เรามาเจอกันที่นี่อาศัยความกรุณาความเอื้อเฟื้อคุณงามความดีของหลายๆฝ่ายแต่ การสละสร้างสถานที่รองรับเป็นห้องเรียนผู้ที่ทำหน้าที่ข้าวปลาอาหารสิ่งนี้สนับสนุนให้เรามีกำลังมีสถานที่มีเวทีพเพื่อจะรซ้อมให้จิตคุ้มจินกับสภาพง่ายๆอันนี้แหละตามไปไม่ไม่รู้เบื้องหลังของเราแต่ละท่านนะั้นก็ทำมานานเท่าไหร่ นานก็ตามไม่นานก็ตามนั้นเป็นเป็นเรื่องปลอมๆท่านนั้นแหละชีวิตจริงๆไม่เพียงขณะดเดียวถ้าเรายังสงสัยอยู่ทำนานหรือไม่นานก็ตามมันสงสัยเพราะว่ามันเข้าไปในเรื่องราวที่เราคิดขึ้นเมื่อไหรก็ตามถ้าเราตกเข้าสู่สภาวพที่ตรงไปตรงมาเฉพาะหน้าก็ไม่มีการเวลาอะไรไม่มีการรอคอยและคาดหวังนั้นสร้างความคุ้นจินกับสภาพปลอมๆง่ายๆอันนี้ให้นายเมื่อใดก็ตามมันแนบนิ่น แนมแน่นชมนิชานาญกับสภาพพิบตากลืนน้าลายกลายเคลื่อนใจรู้อยู่สิ่งที่เรียกว่าสติก็ดีสมาธิก็ดีอะไรก็ดีมันไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความเห็นแต่มันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้านสามวันห้าวันเจ็ดวันที่เรามีโอกาสได้กลับมามาร่วมกันอยู่ที่นี่ ลองทำเล่นๆกับสภาพมนเนี้ยรู้สึกตัวง่ายๆตรงไปตรงมาเนี่ยอย่าจริงัจกเกินไปทำให้มันเกิดความสมดุลเช็คดูมาที่ว่ามือลงกระทบสัมผัสไม่ยากนะง่ายๆแต่ว่าจิตมันไม่ยอมรับอันนี้เนาะมันก็จะกระโจนเข้าไปสู่การคิดนึกบ้างหรือว่า ถ้าไม่คิดนึกมันก็หดหูซึมเศร้าในความรู้สึกตัวตนนี้จะอยู่กลางๆระหว่างการกระโจนเข้าไปความคิด <c oughs> กับซึมเศร้าหดหูจิตนี้จะตื่นง่ายฝึกให้คุ้นเคยคุ้นจินกับการเคลื่อนไหวรู้พลิกตารู้กินน้ํำลายรู้นั้นที่เราบรรตรงทําพริกมือเป็นจังหวะเคลื่อนไหวเป็นอย่างนี้นี่คือเป็นแบบเรียนที่ สร้างจิตให้มันกลับมาคุ้นเคยกับอันนี้เพราะเราทั่วไปเนี่ยกินก็คิดนั่งก็คิดแม้แต่นอนก็ยังคิดนะพอตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราคิดนะ่ะอนนู้นอัน น, น, นี้อันนั้นนั่นการกระตุกสัมผัสเคลื่อนไหวให้มันมีน้ำหนักเนี่ยเพื่อจะได้กระชากออกมาจากสภาพแห่งการที่ถูกความคิดลากออกไปถ้าไม่คิดมันก็จะตกเข้าไปสู่ความซึม นั้นการกระตุกการกระทบการสัมปันนีจะสร้างความตื่นโพลงขึ้นมาแยกให้จิตมันลอยตัวออกจากความซึ่งความฟุ้งอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแต่เป็นเรื่องการซักซ้อมให้เกิดความชำนิชำนาญถ้ารู้มากเกินไปอาจจะยากเพราะสภาพแห่งความรู้สึกตัวอันนี้ ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดเหตุผลอะไรถ้าจับหลอดถูกวางใจถูกนี่ไม่นานไม่นานก็ไม่ใช่อะไรนะจ็ตจะรู้จักว่าสภาพเปล่าๆ ล, ล, ล้วนๆ่ะนนี้มันอยู่ตรงหน้าเท่านั้นเองหลังจากนั้นการเคลื่อนตัวการไปไหนมาไหนของเราจะเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมากายกระใจตรงกันกายทำอะไรใจก็ทำอันนั้นนั้นอย่าทำให้มันยาก ไม่ต้องผลิตภาษาขึ้นมาให้มันยากพอทำไปนานๆค่อยเข้าใจว่าสมัยที่หลงวงพ่อเทียนท่านทําไหม้ตั้งแต่ท่านฝึกพุดโธบ้างฝึกพองยุบบ้างจนมาถึงการฝึกเคลื่อนไหวนี้เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเมื่อปีประมาณสักเจ็ดแปดปีที่แล้วอาตมาเมื่อปีสามเจ็ดเคยข้ามไปที่หลวงพ่อบ้านข้ามไปที่เวียงจันทร์ไปที่ว่า โสปปะหวงวัดโสปปะหวงท่านอาจารย์มหาปานอานันโทที่เป็นอาจารย์กรรมฐานสายติ่งนิ่งที่เคยแนะนําหลวงพ่อเทียนเพื่อเราคงเคยฟังประวัติหลวงพ่อเทียนช่วงหนึ่งที่ท่านเป็นพ่อค้าเรือกลนไฟที่จะมีพระข้ามไปข้ามมาแล้วพระรูปนั้นน่ะที่ข้ามไปข้ามาบ่อยๆคือท่านอาจารย์ปานอานันโทที่เป็นพรวิปัสสนากรรมฐานของเรา และเป็นองค์ที่โงพ่อเตียนนั่งคุยตั้งแต่หกมงเย็ยนจนถึงหกมงเชา้าถามเรื่องการปฏิบัตินี้คําไปบยิ่งเราก็ยังเห็นเนียนก็ทำแต่ทำช้าเป็นอย่างจังทำแบบตีนิ่งเวลาพลิกมาขึ้นตีเวลาหยุดตีนิ่งตีนิ่ง มันจะมีการเคลื่อนแล้วก็ใส่คำบริกรรมเพื่อกำหนดซ้ำลงไปเมื่อเจ็ดแปปีที่แล้วได้ค้าไปที่หลวงพระมากรรมฐานแบบติงนิ่งก็ยังทำอยู่พอมาถึงหลวงพ่อเที่ยนี้ท่านท่านไม่ใส่บัญญัติภาษาอะไรเลยคือนอกจากไม่ชวนให้เราคิดคือกรรมฐานทั่วไปในบ้านเราเนี่ยก็จะมีว่าการรวมจิตให้สงบแล้วยกจิตขึ้นมาพิจารณาหลักธรรมขอบคิดให้มันแตกหักแล้วมันตื่นขึ้นมา หลวงพ่อเถียนเลิกวัฒนธรรมอนนี้ไม่ไม่ชวนพวกเราเข้าไปสู่กระบวนการของเหตุผลแบบการขบคิดแบบนั่งเรือแม้แต่คิดแบบบริกรรมขณะนี้พิทยกแม้แต่ว่ายกหนอย่างน้อเหยียบนองท่านเลิกเหตุผลเลิกความคิดแม้แต่ความคิดที่กันเพื่อถอดออกมาให้สภาพแห่งความเปล่าเปล่าล้าลนๆมันแสดงตัว เวลาเคลื่อนไหวท่านไม่ใส่บริกรรมไม่มีการนับให้สภาพมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเนี่ยเงินเราวูบไหวมือไปอย่างนี้เวลาความเย็นกระทบป๊บปบปัเนี่ยเราม่ต้องใส่ใจไม่ต้องใส่เหตุผลอะไรมันสัมผัสตัวมันเวลาเราวางมือลงนี้คือไม่ต้องพยายามอะไรเลยมันมันตรงไปตรงมาที่จะรับทราบอยู่แค่นี้ในความรู้ตัวรุนรุนเปาเปาอันนี้ ทำอะไรกับมันไม่ต้องทำอะไรกับมันคุณเคยและสนิทสนมกับมันให้ได้แล้วความตึงพงมันจะเกิดขึ้นมาไม่มีเหตุผลมีแต่การซักซ้อมจนมันสนิทแนบเน่นและคุ้นชินความคุ้นชินนี้จะสบายจะ ง, ง่ายนี่ทำอย่างนี้จะดี ลองทําดูนะลองทําดูดืมตาวกว้างเวลาเราทำตาเห็นวันได้ยินมันมีอันหนึ่งสำหรับคนทําใหม่ๆคือวางใจไม่ทุกแต่คนทํานานๆก็ไม่แน่ว่าจะวางใจทุกบางครั้งจะแช่ถ้าเรายกมือเป็นนบางครั้งถ้าเกาะติดกับกายก็จะแช่เข้าในนั้นถ้าเราเปลี่ยนจังหวะบ้ า, บางให้จิตมันตื่นสังเกตว่าถ้าเรายกมือไปแล้ว หูดับคุณไม่ได้ยินเสียงจริงหรือเลยเข้าในเกินไปตาเราไม่เห็นสิ่งที่มันกำลังปรากฏเฉพาะหน้าเนี่ยมันเข้าในเข้าในสองอยา่างหนึ่งเข้าไปในความคิดก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันสองจ้องเข้าในเกินไปนั่นความรู้สึกตัวจะอยู่นอกๆนี่แหละตาเห็นจับหูได้ยินจับความรู้สึกจะกระจายแต่ จ, จุดขย่อก็ปั๊บสัมผัสปับ๊บจะเนจุดตั้งต้นเท่านั้นเอง ยิ่งรู้สึกตัวได้ดีนี่ความรู้ตัวจะคลี่ลายจะสบายทำอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับนอนให้คุ้นชินมันจะเกิดความคลี่คายความรู้บางทีนี้ได้ยินได้ฟังมามากมานานรู้เข้าใจแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนนี่มันจะยังมีความสงสัยอยู่ นั้นเราฝึกสร้างความคุ้นินนั่นนี้ยืนรู้นั่งรู้นอนรู้กินดื่มเคี้ยวลิ้มซ้อมอันที่พระเจ้าบอกให้เราทำนี้ให้ได้อืม น, นว่าการเจริญสติแบบนี้ที่เราทำอย่างนี้อันดับแรกนี้ทำให้มันติดซะก่อนอย่างเราเดินนัาอยู่ ติดนี้มันจะมีสั ญ, ญลักษณ์ก็คือว่าเริ่มชอบชอบรู้สึกตัวเวลาเผลอๆมันกลับเองได้เราตั้งใจเราทำซ้อมในรูปแบบพอนอกรูปแบบปั๊บเราเผลออยู่แปลงฟันอยู่มันเริ่มกลับเองได้บ้างจับไม่กวาดมันกลับเองได้บ้างแล้วก็ลืมไปนี้ออกนอกรูปแบบแล้วมันเริ่มติดเริ่มติดนี้สั ญ, ญลักษณ์สัญญาณนันแหลที่จากจุดติดทำไปจนมันเป็น คือจะรู้อะไรเลยก็ตามไม่รู้อะไรเลยก็ตามจะรูปนามนามรูปะอะไรก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่ถ้ามันเริ่มเป็นมายถึงว่ากายกใจสัมพันธ์กันเป็นเนื้อเดียวกัน7จ็เอร์ซขึ้นระหว่างวันที่กายกใจสัมพันธ์กันอย่างสบายๆเร า, าจะปร่มเบาจะเป็นอิสระอาจจะไม่รู้เลยว่า น, นี่คือไตรลักษรูปนามเกิดดับปรมามัดอะไรก็ช่างนีแต่จิตจะคลี่คลายแต่ถ้ารู้อันนี้คือรูปนามนามรูปปฏิจจสุบรรัติอิทัปปัจยตา แต่ขณะกระพิบาเราสัมผัสมันไม่ได้เลยขณะที่คื่นน้ำลายเราสัมผัสอาการอันนี้ไม่ได้ความคิดบู้บัยขึ้นมาเราไม่เห็นนั่นเป็นเพียงความสงจำมีผลต่อการคลียคายความอึดอัดในใจน้อยบางครั้งไอความรู้นั่นแหละกับกลายเป็นพาให้เราต้องแบกมันจะแบกในลักษณะเมื่อเราได้ยิน ความคิดความเห็นที่ต่างจากทฤษฎีที่เราสรุปมาแล้วเนี่ยเราจะเริ่มมีการขาดัขดข้ามเริ่มเห็นต่างเริ่มทะเลาะหมแอแมงในใจแต่ก่อนเราเรืงไม่รู้จักอิทัปปจิยาปฏิจจสุบาทหลักการทางศาสนาเวลาเขาพูดเราก็ไม่รู้สึกว่าผิดว่าถูกอะไรแต่พอเราเริ่มอ่านเริ่มเรียนรู้เริ่มได้ทฤษฎีที่เรายึดโดยคนลองของคิดของเราเมื่อใครพูดหรืออธิบายต่างเราจะเริ่มเองไม่ใช่ม吗 ไม่ถูกมัง้งจริงเต็มไปด้วยบางครั้งก็จะมีผู้รู้ธรรมะที่ทตลอดบอแบงกันเชิงทฤษฎีไม่ต่างจากขี้เล่าคุยกันเท่าไหร่หรอกจริงนะหูดาหูแดงใส่กันเขึ้นกัน <c oughs> ตัวภาษาที่เรานํามาทะเลาะ ก, กันหรือเรื่องราวที่เรานํามาทะเลาะ ก, กันไม่ว่าเรื่องการเมืองเรื่อง ีดินที่ดอนเรื่องข้าวปลาอาหารแม้แต่ทฤษฎีธรรมะที่เรานำมาทุ่มเทียงเอาจนะค่ า, ากันเกิดมาจากความโง่เขาเท่ากันแต่เรื่องอาจจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือน้ำหนักทางจิตนั่นเราฝึกการจเจริญสตินี่เป็นเรื่องง่ายๆตรงไปตรงมานี่การฝึกแต่มาไม่มีอะไรหรอ มาที่นี่นะมาเป็นเพื่อนพาวนากันท่านใดที่เพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกยกมือขึ้นหน่อยอ๋อดีเนาะเหมือนกันนะแตะก็เหมือนกันเพิ่งมาครั้งแรกใครเพิ่งมาฝึกแบบเพื่อนใหม่นี้ครั้งแรกเลยเอาเจ ก, ก่อนไปทำอะไรอยู่ก็หนนลังสมาธิเนาะยงมคนนั้น่ะเอาแล้วทำไมมาที่นี่ พี่พี่ชนม า, มาหาทางหาทางอุยทางเยาาอะแยะทางของตัวเองอ๋อดีดีนะอนุโมทนาก็อ่าดีจะมาอย่างไงก็ตามนะ <c oughs> ขอให้เราลองฝึกดูวิธีการเจริญสติอย่างนี้ไม่ใช่วิธีที่จะขบคิดเอาด้วยเหตุผล อันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะธรรมาพูดโดยประสบการณ์คือเรื่องต้นจากการฟังไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่หลงวงพ่อเตียนท่านพูดนี่แหละอาารรมาก็ฟังไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ว่าท่านสื่อถึงถึงอะไรกันแน่อันนั้นอันดับแรกนี้ให้ทำตะพื้นตะพือไปก่อนนะจะดีทำแบบบู้บู้ไปก่อน ไม่ต้องเอาเหตุเอาผลเอาถูกข์เอาผิดอะไรอยา่าพยาพยามวิเคราะห์อย่าพยายามวิเคราะห์สังเคราะห์กับอะไรรู้สึกตัวและสลัดความคิดทิ้งไปเลยพอความคิดเกิดขึ้นวูบไหวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความคิดดีหรือเลวคิดธรรมะหรือคิดอาธรรมะอะไรก็ตามเพียงแต่รู้ว่ามันวูบขึ้นมาแล้วรู้ทิ้งไปเลยให้รู้เหมือนเราเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวทิ้งเคลื่อนไหวทิ้งกระทบทิ้งกระทบผ่านก็ถุกปั น, น, นพอความคิดวูบขึ้นมาเพรู้เพาปล่อยผ่าน ใหม่ๆถ้ามันยังไม่ผ่านนะเราเดินเๆอยู่ความคิดก็คลียไปอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกันเพียงแต่มาให้น้ําหนักกับการขึ้นใหวกระทบสัมผัสแล้วมันจะค่อยๆมีกําลังกระชาก ต, ตัวมันหลุดออกมาจากความคิดแต่ถ้าทรมัยคิดเราเหตุเอาผลว่ะพี่เราถูกกับมันมันไม่ได้ไปสั่งให้มันคิดไม่น่ายไปสั่งให้มันหยุดคิดไม่ได้ จิต น, นี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ทำไมฟุงสา่านแลวทำยังไงจะหายฟุงสา้า <c> น <oughs> ทำยังไงไม่ได้หรอกฟุงส้านก็แค่ฟุงส่านนั่นนห่ะไม่มีอะไรผิดทุกอะไรทำแค่นั้นก็พอถ้าเราจะพยายามแทรกแซงเอาเหตุเอาผลนออะไรก็มัน ทำอย่างงาน้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นน่าจะเข้าใจว่าจิตมันจัดการได้มันจัดการไม่แ น, น <c oughs> ่นะคือธรรมชาติของสิ่งที่สมมุติว่าคนหนึ่งมนุษย์อะไรเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับสายน้ําลมพัดอะไรดี่มันเกิดขึ้นตามกระบนการของเหตุปัจจัยล้วนๆเท่านั้นเองเสียง <c oughs> <c oughs> ที่พูดนี้ไม่มีตัวมันเองโดยอิสระมันเกิดจากกระบังลมมีการดันมีเจตนามีกล่องเสียงมีอะไร คือธรรมชาติตัวนี้ก็เหมือนกันธรรมชาติองกายของใจก็เหมือนกันมีสิ่งประกอบกันเยอะยะนั่นจริงไม่แทรกแสงอะไรให้รู้สึกตัวเฉยๆรู้สึกตัวซื่อๆล้วนๆตรงไปตรงมานั่งล้วนๆอย่านั่งเอาอะไรนั่งเพียงเพื่อที่จะนั่งก็พออย่ารอคอยว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไรจะสอบเมื่อไรจะหยุดฟุ้งซ่านเมื่ออะไรจะหายง่วงลืมตาขึ้นนั้นก็หายง่วงแล้วนะอื ยิงก็แค่นี้เองแค่นี้ถ้าเรารอคอยคาดหวังหรือตั้งจิตอธิษฐานอนุนันนี้เราจะข้ามสภาพเปล่าๆง่ายๆอันนีง้งั้นงั้นฝึกง่ายๆถ้าสงสัยลองเลื่อมมองดูไปไก่งๆอย่าทำอะไรมากไปกว่านี้กระทบสบายความคิดเกิดขึ้นปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งตามยำ้ำตามซ้ำไม่เกิดความกุมชินไม่ฟังอะไรเลยก็น่าจิตจะเริ่มขยับเข้ามาใกล้ตัวเองมากขึ้น แล้วจะเกิดสมาธิสมาธิไม่ใช่ท่าทางอะไรสมาธิเป็นอาการของจิตกายกระจยสัมพันธกันความรู้สึกตัวน้นอยๆที่เรียงตัวกันเข้าเรียงตัวกันเข้ามันจะเกิดสภาพแห่งความคุ้นเคยคุ้นจินน์อนนี้ถ้าเกิดภาวะทั้งมั่นกายทําอะไรใจก็ทํามันนั้นด้วยนี่คือสมาธิสมาธิแบบเคลื่อนไหวขณะเขาปิดตาก็รู้กิดน้ำลายก็รู้แต่พวกสมัมผัสเพื่นก็รู้ รู้รู้มั่นของรู้ไม่ต้องบังคับเมื่อไหร่ก็ตามมาื่เริ่มสนิทกันตัองจะเกิดภาวะแห่งความตั้งมัน่นหลังจากนั้นความคิดที่วุ่นวายที่มาจะถูกรู้ผ่านรู้มา น, นั่นสมาธิจริงไม่ใช่อาการที่ทําให้จิตมันหยุดเงียบๆลงไปไม่ใช่แต่เป็นภาวะแห่งความตั้งมั่นที่อะไรมากระทบทางตาเห็นเสียงมากระทบหูก็ได้ยินธรรมารมณคือภาพของความคิดตกเข้ามาสู่จิตก็เห็นเห็นแล้วไม่ถูกลากให้เกิดความสึก ชอบหรือชังนั่นคือสภาพต่างๆทำง่ายๆหรือง่ายไหมที่ฟกมาหีัต้องแผลฝังมาจะยากอะไรด้นะยากเพราะมันง่ายเกินไปยากเพราะมันง่ายเกินไปใช่ไหมที่ตามง่ายไหมง่ายๆนี่แหละสร้างความคุ้นจินกับสภาพง่ายๆนี่ ลองทำ <c oughs> มีเวลากี่วันก็ตามลองทำการบ้านข้อเดียวนี้ดูทำความรู้สึกตัวล้วนๆง่ายๆตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับนอนล้างหน้าแปรงฟันนี่เราซ้อมในรูปแบบนี้เพื่อสร้างความคุ้นชินนะนีอุ้งหัวางมือลองมาทบอย่างนี้นะนให้มันเกิดสภาพแห่งความคล่องแคล่วคุ้นชินกับสภาพวันนี้ย อ, อย่างอื่นนี่เห็นย น, นว่าไม่ ไม่ต้องรู้อะไรเลยก็ได้คือรู้แบบคิดหนูเนี่ยปล่อยไปเลยก็ได้เพราะการเจริญสติมันมันเป็นเรื่องการล้างใจไม่ใช่การบันทึกข้อมูลเพื่ออะไรมันเป็นเรื่องการสลับออกสลับออกหรือถอนออกเหมือนกับห้องห้องสลาเนีนะ่ปกติจิตของเราก็เดิมเดิมก็ไม่ไม่ได้วุ่นวายอะไรหรอกแต่พอเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาคิดมาคบมาอะไรมันยุ่ง การทำให้สลานี้ว่างก็แค่พวกเราก็ลุกออกไปเสียก็เก็บเสียสัดอาสนะเบา อ, อะไรพวกสลานนี้ก็เปล่าเหมือนเดิมได้นีมจิตธรรมชาติอันนี้จะทําความสงบทําไม่ได้หรอความสงบนี่ทําให้มันว่างทําให้ปกติอะไรแล้วแต่จะใช้ภาษาหละไม่ต้องทําอะไรมันเพียงแต่ถอยออกมาจากการฟุ้งซ่านเหตุผลอะไรนั่นการเจริญสติคือรู้สึกตัวแล้วสลัดความคิดทิ้งไปทิ้งไปทิ้ง นั่นใหม่ๆเราไปสลัดที่ตัวความคิดไม่ได้พราะรู้ว่าคิดปั๊บกระทบสัมผัสสบายสๆแล้วธรรมชาติตัวนี้มันจะดีบหรอกดีบออกดีบออกเมื่อความรู้สึกตัวมันค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยความรู้สึกหรือคิดที่มันปรุงมันแต่งเนี่ยมันจะเข้ามาตัวนี้ไม่ได้เห็นปะมันจะตกผ่านตกผ่านตกผ่านแล้วความตื่นพลงจะเกิดขึ้นง่ายๆใกล้ๆเองนะไม่ยากหรอกวันสองวันสามวัน ถ้าทำทุกให้กายกับใจทำงานร่วมกันอใจากประสบการณ์นี่ตามารู้ว่าถ้าสักครึ่งชั่วโมงที่กายกับใจอยู่ด้วยกันล้วนๆเนี่ยเราจะเห็นความเฉ็มใสขึ้นมาทันทีสักชั่วโมงหนึ่งที่ไม่ต้องเอาเหียดเอาคนเอาถูกเอาผิดอะไรก็นัน่งล้วนๆเคลื่อนไหวแค่ทิ้งไปทิ้งไกลทิ้งไ ป, งไปลองดูสิสักชั่วโมงหนึ่งหรือวันหนึ่งที่ความรู้สึกตัวสดๆมันแสดงตัวออกมามันจะเกิดอะไร รู้สึกตัวมันจะมีขนาดเดียวมันไม่มากมันไม่ได้ได้อะไรแต่มันจะทิ้งอะไรไปทิ้งอะไรไปทิ้งอะไรไปจะสดจะสบายลองลองดูนะอยากถามอะไรเพิ่มไหมพอตอบได้อยู่นะทำมาเกิดบยี่สิบปีนี่แหละทำนั้นก็ปีสามหกตอบไปแว บ, บนั้นแหละ ตอแล้วก็แล้วไปนั้นเนี่ยอลองทำดูถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ทำตารางชีวิตที่นี้แต่ละวันทำยังไงกันบ้างโยม